Book 2, <68. S 3> <61. S> 2> ูหกสดลำดับเลขออ d ์ดิน e เล่เกรตเดือนแรกคือเดือนมกราคม The r s t m a n d is j a n u a r i เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ เดือนที่สามคือเดือนมีนาคมเดือนที่สี่คือเดือนเมษายนเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายนหกเดือนคือครึ่งปีมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม January, February, เมษายนพฤษภาคมและมิถุนายนเดือนที่7คือเดือนกรกฎาคมเดือนที่8ดคือเดือนสิงหาคมเดือนที่9คือเดือนกันยายน เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคมเดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม สิบสองเดือนคือหนึ่งปีวอลฟ์มอน e ตอีสเอ r กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนยรีออกัสตัตตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมอ เดือ